สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิยาพิบาท น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าเรื่องการตัดสินใจพี่น้องครับหลายครั้งนะครับที่เราได้ยินในฝังพระเจนาของพระเจ้าแล้วได้อ่านพระคัมภีร์แล้วได้เข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าและคัมภีร์ได้ตรัสกล่าวถึงแต่ว่าหลายครั้งบางคนบางท่านนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลี่ยงครับ ตัดสินใจที่จะไม่เชื่อตัดสินใจที่จะเพิกเฉยตัดสินใจที่จะปฏิเสธตัดสินใจให้ชีวิตที่มีอยู่นั้นเดินไปอย่างยุ่งยุ่งจนในสุดก็ลืมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปเชื่อหมดหรือแม้บางคนบางท่านก็เปลี่ยนเนื้อหาพระคัมภีร์โดยการตีความที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับบางคนก็มีท่าทีว่า เขาคิดว่าพระคัมภีตอนนี้ไม่น่าจะถูกผมอยากจะยกตัวอย่างสามตัวอย่างในเช้าวันนี้ครับที่เป็นตัวอย่างจากพระธรรมกิจการที่พูดถึงเรื่องของท่าทีต่างๆที่มีต่อพระวจนะของพระเจ้าอันนี้อาจจะกล่าวได้ว่าก็เพิกเฉยต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือถ้าหากว่าเป็นก็หาหนักหนักเลยก็อาจจะเป็นการดูหมิน่นการทรงนำหรือดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองและพี่น้องครับ หากเรมีท่าทีอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราต้องรีบทําก็คือกลับใจใหม่ครับจะต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราเพื่อที่ว่าการเลือกนี้จะส่งผลต่อชีวิตนี่รันในอนาคตของเราด้วยเช่นเดียวกันตัวอย่างคนแรกนะครับก็คือกษัตริย์เฮโรดอะคิดป้ากษัตริย์เฮโรดอะคิปาเรื่องราวของเขานะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจาการบทที่สิบสองเฮโรสอะคิปานั้นได้ทรง เสี่ยงตัวเองนะครับในลักษณะที่จะกล่าวต่อไปนี้ครับในฐานะที่เขาเป็นพระราชนัดดาของกาสเทโรดมหาราชนั่นคือหลานนะครับพระองค์ย่อมต้องได้ยินข่าวทุกซึ่เกี่ยวเรื่องพระเยซูในวังของพระองค์อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าทรงมีสายลับและสายลับก็ได้รายงานทุกคำพูดที่เกี่ยวข้อง กับพระเยซูผู้เผยพระชนะแห่งเมืองนาซาเร็ตแต่กษัตริย์เฮโรต อ, อคิทปานั้นมีสถานะเป็นกษัตริย์ครับและเป็นบุคคลสําคัญแทนที่จะได้ถ่อมใจลงต่อพระเจ้าพระเยซูผู้เป็นกษัตริย์อกษัตริย์ทั้งหลายพรงกลับยังดําเนินพระชนชีพหรือดําเนินชีวิตต่อไปเพื่อตัวเองครับและพระองค์ก็ยังเรียกความนิยมจากประชาชนด้วยการตัดสั่งหัว ส, สั่งตัดศีรษะกับสั่งตัดหัวของสาวกคนหนึ่งของพระเยซูพระคัมภีรกิจการบทที่สิบสองข้อยี่สิบเอ็ดถึงข้อยี่สิบสามนั้นได้บันทึกไว้ว่าในวันนั้นเฮโรธแต่งตัวเต็มยศนั่งบันลังและกล่าวปาใสยต่อมนุษย์ต่อประชาชนเขาทั้งหลายร้องตะโกนว่านี่เป็นเสียงเทพเจ้าไม่ใช่เสียงมนุษย์ประชาชนก็ยกย่องนะครับอวยกษัตริย์เฮโรด ว่าเป็นเทพเจ้าไม่ใช่มนุษย์ทันใดนั้นพระคัมภีบันทึกครับทูตองค์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าจึงให้เฮโรล้มป่วยและถูกนอนกัดกินจนสิ้นชีวิตเห็นไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระคุณความรักจะทรงทนต่อความบาปอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้น หลังจากการโปร่งจะทรงพิพากษาความบาปนั้นตามความจริงตามความเที่ยงธรรมของโปรง่งเราจะเห็นได้ว่าการพิพากษานั้นอาจจะมาถึงในเวลาที่เขามีชีวิตอยู่หรืออาจจะรังเอาไว้จนกระทั่งล่วงเลยความตายของเขาของคนนั้นไปแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับการพิพากษานั้นมาถึงแน่ เฮโรตสิ้นพระชนและต้องประทับอยู่ที่บึงไฟชั่วนิรันดรแตพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่24นะครับของกิจการบทที่12เป็นการพลิกนะครับพลิกว่าเฮโรตตายไปแต่พระจนะของพระเจ้ายังคงทวียิ่งขึ้นและแพร่กระจายออกไปเท่ครับนี่คือตัวอย่างแรกครับ ตัวอย่างแรกนี้สอ er นเราว่าอย่าใจเย็นครับอย่าใจเย็นกับพระคัมภีร์ครับอย่าใจเย็นกับพระคมร์ของพระเจ้าหรืออย่าสารวจนยุ่งเสียจนไม่อาจที่จะเข้ามาอ่านพระคมภีร์ไม่อาจที่จะทําตามที่พระคมภีร์พูดไม่อาจที่จะเชื่อฟังพระคมภีรคงเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับถ้าเราจะไม่ใช <pour S 2> <correctly, S 1> ้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช้เวลาไม่ทุ่มชีวิตไม่ เท hey, ชีวิตไม่วางชีวิตไว้เพื่อที่จะเป็นสาวกพระเยซูอย่างแท้จริงเป็นที่น่าเสียดายเสียใจมากตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งครับเป็นคนที่อยู่ร่วมสมัยกับพระเยซูก็คือเฮโรดอะคิด ป, ป้าที่สองในฐานะที่เป็นพระราชปณัดดาก็คือเหลนครับเป็นเหลนของกษัตริย์เฮโรดมหาราชเมื่อสักครู่นี้เฮโรดอะคิด ป, ป้านั้นเป็นหลานครับ เฮโรตอะคิปปาที่สองนั้นเป็นเหลนเป็นเหลนของเฮโรตมหาราชและเป็นโอรสของเฮโรตอะคิปปาพระองค์ต้องทราบเกี่ยวเรื่องราวของพระเยซูครับพระกัมภีกล่าวว่ากษัตริย์อะคิปปานั้นร่วงรู้ข้อพระธรรมหรือคําสอนของพระเยซูเป็นอย่างดีตอนที่อัครทูตเปาโลถูกจับตัวถูกไต่สวนต่อหน้าพระองค์ในขณะที่ท่านแก้ตังให้กับตนเองนั้นท่านจะได้ทูลพระองค์ เกี่ยวกับเรื่องพระเยซูด้วยบันทึกไว้อยู่ในพระธรรมกิจการบทที่26ครับบันทึกอย่างนี้นะครับโปรดฟังโาชนะของพระเจ้ากษัตริย์ทรงคุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี้ดีและข้าพเจ้าสามารถทูลได้อย่างเปิดเผยข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าไม่มีสักสิ่งที่พ้นพระเนตรพระ ก, กันเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้กระทํากันอย่างลับๆข้าแต่กษัตริย์อคฤิป้าฝาพระบาท ทรงเชื่อเราผู้เผยพระนะหรือไม่คาบบาททราบว่าฝาพระบาทราาารบาทรงเชื่อแล้วอักคริปป้าจึงจัดกับเปาโลว่าเจ้าคิดว่าในเวลาสั้นๆเท่านี้เจ้าก็จะชักชวนให้เราเป็นคริสเตียนได้หรือพี่น้องครับดูเหมือนว่าอักคริปป้านะครับจะเข้าใจสิ่งที่อัครทูตเปาโลทูลต่อพระองค์อย่างดีมากดีมากเสียจนพระองค์ยอมรับว่า ท่านเปาโลนั้นเกือบจะโน้มน้าวพระไทยของพระองค์สำเร็จให้มาเป็นคริสเตียนแต่คริส ป, ป้าได้ทรงเลี่ยงครับนะเอาตัวเองอยู่ในความเสี่ยงในที่สุดพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเชื่อทรงทรงเลี่ยงคาถามเพื่อจะไม่ต้องตัดสินใจเท่าที่เราทราบนะครับจากหลักฐานในพระคัมภีรก็คือกษัตริย์ริสตป้านั้นไม่ได้กลับใจใหม่ครับ พระองค์สิ้นพระชนไปทั้งทั้งที่ทพระองค์ทรงรู้จกักภรกิตคุณทรงรู้ถึงภระกิตคณุณอย่างดีแต่ไม่ได้ทรงเชื่อนั่นเป็นการตัดสินใจของพระองค์ที่ได้ทําไปแล้วและไม่สามารถแก้ไขอะไรได้พี่น้องครับนี่คือตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สามครับอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่ยี่สิบสี่ก็คือเฟลิกซ์นะครับ เลิกนั่นเป็นผู้ปกครองชาวโรมเปาโลก็ได้แก้ต่างนะครับต่อหน้าเฟลิกซึ่งเป็นผู้ปกครองชาวโรมันนี้ในสถานาการณ์เช่นนี้นะครับท่านได้ฉวยโอกาสที่จะเป็นพยานสาธยายถึงพระเยซูเป็นผู้ใดและพระองค์ได้ส่งกระทําสิ่งใดไว้พี่น้องลองฟังดูนะครับในกิจการบทที่24ข้อ24 25หลังจากนั้นหลายวันเฟลิกมาพร้อมกับดูซิลลาภรรยาของเขาซึ่งเป็นชาวยิว เขาได้เรียกตัวเปาโลมาพบและฟังเปาโลพูดถึงความเชื่อในพระเยซูคริสต์ขณะที่เปาโลบรรยายถึงความชอบธรรมการควบคุมตัวเองและการพิพากษาที่จะมาถึงฟิลิปก็กลัวและกล่าวว่าพอแค่นี้ก่อนท่านไปได้ไว้มีโอกาสเราจะเรียกท่านมาอีกเฟลิปนั่นได้เลื่อนการตัดสินแกออกไปครับ เขาต้องการเวลาสะดวกกว่านั้นที่จะตัดสินใจเป็นการง่ายที่จะทำเช่นนั้นครับขอเลื่อนไปก่อนขอเลื่อนไปก่อนเวลานี้ยังไม่ถึงเวลาพารอสักหน่อยหนึ่งพระคัมภีร์เตือนเราว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เราต้องตัดสินใจครับบัตรนี้คือวาระแห่งความโปรดปานของพระเจ้าบัตรนี้คือวันแห่งความรอดบันทึกไว้อยู่ในพระธรรมสองโครินท์บทที่หกข้อที่สองเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรา ชีวิตของเราชีวิตจะถูกพรากจากโลกนี้ไปเร็วมากน้อยแค่ไหนเราจึงจําเป็นต้องตัดสินใจณบัดนาวณนะบัดนี้ครับเราจําเป็นต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้แน่นอนครับว่าเฟลิกกลัวที่จะตัดสินใจบางครั้งเราก็รู้สึกกลัวครับเราไม่เรารู้สึกไม่มั่นใจในการที่จะติดตามพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุ ด, สด ในการที่จะมอบตัวเองถวายเป็นสาวกของพระเยซูในการที่เราจะไม่ต้องไปสนใจคนอื่นและสนใจว่าพระเจ้าคิดอย่างไรพระเจ้าพอใจอย่างไรเราจะทำอย่างไรให้พระเจ้าพอใจเพียง ค, ครับเรานึกสงสัยว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรนั่นไม่เค็มเลยสาคัญครับทีนี้สำคัญก็คือว่าพระเจ้าทรงคิดอย่างไรต่างหากและพระเจ้าต้องการอะไรจากชีวิตของเราต่างหากครับ ใครับทางพระัมพีและบันทึกทางบอดส์ไม่ได้บันทึกว่าอะไรเกิดขึ้นกับเฟลิกซ์แต่เท่าที่เราทราบจากโคจนาพระเจ้านะครับเขาไม่เคยมีเวลาสะดวกจริงๆที่จะเชื่ออีกต่อไปเฟลิกซ์นิ ก, ก็มีแรงจูงใจอื่นแฝงเล่นด้วยครับเพราะเฟลิกซ์ก็หวังจะกินสินโบนเหมือนกันนะครับความสนใจในตัวของพระเยซู ก็ถูกบิดเบือนไปครับเพราะความปรารถนาผลประโยชน์ที่เป็นเนินตราถึงการ น, นั้นเขาก็ได้พูดถึงพระเยซูกับเปาโลโบ่อยครั้งจริงๆหลายคนอาจจะตีความว่าบทสนทนาดังกล่าวทําให้เฟลิกนั้นมีศาสนาและหรือมีความเชื่อนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเฟลิกนั้นเป็นคนที่หน้าไหว้หลังหลอกครับหลายครั้งก็ทําให้ เราก็ไม่แน่ใจอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาพี่น้องครับการหันไปเหมาโอนไปเอ็นมานะครับไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เข้าใจครับใจเขาไม่กล้าตัดสินใจนะครับผมได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าข้อพอมพีนั้นพูดถึงความเป็นและความตายเอาไว้เยอะครับชีวิตของเราและชีวิตหลังความตายของเราอยู่ที่การเลือกการเลือกแม้ว่าเราจะ ได้รับความรอดแล้วนะครับแต่อย่าลืมครับชีวิตที่ถวายเกียรติชีวิตตอบสนองนะครับที่จะเป็นความรักที่มีต่อพระเจ้าตอบสนองความรักที่พระเจ้ามีกับเราอย่างชุดชุดสุดใจชุดใจครับอยู่ที่การเลือกของเราอยู่ที่เราจะตัดสินใจครับขอบพระเจ้าช่วยพี่น้องที่รักทุกท่านที่จะเลือกอย่างถูกต้องตัดสินใจอย่างถูกต้องอาเมน